นี้ที่วัดป่าสุกโตก็มีดีฟเฟชันเข้าฝนตกทุกวันทําให้บนถนนเนี่ยลื่นมากเลยเพราะมีตะไคร่เขียวเป็นอันตรายกับคนทั่วไปถ้าเดินไม่ระวังนะอาจจะเลี่ยงได้ก็หอยระวังกันหน่อยช่วงนี้ก็มีหอยทากเยอะแยะหมดเลยอธิบาเชื่อว่าในวัดเนี่ยต้องมีคนเหยียบหอยทากกันท่าั้งนั้นอนะ่ะจะเหยียบมากเหยียบน้อยคิดว่าเหยียบทุกวันอนะ่ะ พอเปนเยอะลืเกินทำให้นึกถึงนิทานเซนเรื่องหนึ่งที่ประเทศจีนมีวัดอยู่แห่งหนึ่งวัดนี้ก็มีอาจารย์โตกุซันเป็นเจ้าวาดเป็นวัดใหญ่มีชื่อเสียงมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมมากมายช่วงเวลาธอรัเช้า ก็จะมีพระรูปหนึ่งมานั่งเก็บหอยทากข้างทางอ่ะพราแกกลัวว่าเดี๋ยวพระหรือแม่ชีเดินมาจะมาเหยียบสงสารหอยทากก็ เ, เก็บไปเก็บโยนโลงข้างทางวันแล้ววันเล่าและเป็นที่สังเกตของพระอีกท่านหนึ่งท่านละเข้ามาตําหนิบอกท่านทำอย่างนี้ทําไปทไําไมพระที่เก็บหอยทากก็บอกว่า ผมเนี่ยบวชมาตอนแก่แล้วก็อยากทำความดีสะสมบารมีเรื่อยๆพะระลูกนี้ก็ตำหนิบอกว่าหอยทากเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทำลายพืชผลทางการก็สั่งให้กําจัดว่าเราเนี่ยเป็นแหล่งเพราะพันหอยทากท่านทำได้ถูกนะเพราะคนเดินเหยียบก็ถือว่าไม่ได้เจตนาก็ไม่ถือเป็นกรรมเป็นบาปแต่อย่างไร ทำให้วัดเนี่ยกลายเป็นแหลกเพราะปันหอยทากภายอีกรูปหนึ่งที่อยู่บริเวณนั้นเห็นเข้าก็คืนก็พูดว่าท่านเนี่ยทำถูกแล้วยอมเสียหลักตนเองเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์คือบําเพ็ญนิสัยพุทธิสัตว์ไงให้ความสะดวกแก่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมถ้าไม่เหยียบหอยทากตายเนี่ย จิตใจก็ไม่เศร้าหมองไงทำให้ทาให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไงเป็นธรรมาง่ายก็ผู้สาธุกับพาที่เก็บหอยทากแหละทั้งสามรูปตกลงกันไม่ได้จึงพากันไปหาหลวงพ่อโตกุสันจเจ้าวาดให้ตัดสินให้หน่อยว่าใครผิดใครถูกหลวงพ่อโตกุสันก็นั่งฟังสามท่านชี้แจงพาลูปที่เก็บหอยทากเนี่ยก็พูดกึก่อนว่าผมเนี่ย บวชมาก็อาย่มากแล้วก็พยายามเนี่ยทำความดีโดยสะสมบารมีเล็กเวลาน้อยเพื่อสร้างบารมีน้ำหยดทีละหยดทีละหยดไม่ช้าก็เต็มตุ่มการที่ผมทำแบบนี้ไม่เห็นว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมตัวอย่างใดเลยหลวงพ่อว่าจริงไหมครับหลวงพ่อก็หัวเราะชอบใจแล้วก็พูดคิดว่าถูกถูกของเธอ องค์ที่สองที่ไปตำหนิก็บอกว่าหลวงพ่อครับหอยทากเนี่ยถ้าคนเหยียบโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะไม่ได้เจตนาหรือทางการก็โดนลงโดนลงให้กำจัดหอยทากเพราะถือว่าทำลายพืชผลแล้วก็เป็นแหล่งพอผันเชื้อโรค ก, การทำแบบนี้ทำให้ว่าเราสกรปรกไม่น่าอยู่หลวงพ่อว่าถูกไหมครับ หลวงพ่อก็มองหน้าแล้วก็หัวเราะชอบใจถูกถูกของเธอพระท่านที่สามก็แย้งขึ้นว่าพระท่านเนี้ยมาเป็นตนเป็นพริษัทโดยยอมเสียละตนเองยอมเหนื่อยช่วยเก็บหอยทากครัวคนจะมาเหยียบเอาทำให้จิตตกได้แต่ที่ก็ต้องมีผู้เสียละต้หลวงพ่อว่าเขาทำถูกไหมครับ หลวงพ่อก็มองหน้าพระรูปนี้แล้วก็หัวเราชอบใจถูกถูกของเธอสามเณรที่กำลังพัดหลวงพ่ออยู่ได้ฟังดังนั้นข้องใจมากเลยจึงแย้ขึ้นว่างหลวงพ่อหลวงพ่อบอกถูกทุกคนเลยไปไม่ได้เลยมันก็ต้องมีผิดบ้างไม่ถูกทุกคนหรอกหลวงพ่อก็ชอบใจหันมาหันหน้าไปทางเนรแล้วก็บอก ถูกถูกของเธอสรุปแล้วหลวงพ่อถูกหมดเลยทั้งสี่คนไม่มีใครผิดเลยทําให้ทยบาลนึกถึงหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนเมื่อก่อนท่านชอบสอนว่ายาวถูกยาวผิดอยาวเหตุเอาผลอย่าด่วนรับอย่าด่วนปฏิเสธถ้าคนที่ปฏิเสธทําใหม่ๆเนี่ยจะรับยากนะเพราะแต่ละคนเนยอยู่ใต้เหตุผลอยู่ใต้อัตราของตัวเองอะ่ะถ้าผิดเจ้าเรื่องนะถ้าทําอะไรไม่ถูกต้องเนี่ย จะเราทำตามกฎเปี้ยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่เวลานานประสบปการธรรมะมันจะสอนให้เรา เ, เริ่มรู้จักปล่อยวางเริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยบางครั้งยึดไปได้เลยไม่ต้อจะเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องถูกก็ทําให้คนทะเลาะกันได้เรื่องผิดก็เหมือนกันที่ประเทศเราวุ่นวายก็มีเสื้อแดงเสื้อเหลืองเพราะเรื่องเอาผิดเอาถูกนี่แหละแต่ถ้าเรามองเปเรื่องสมมุติหยือนหย่วนกันไปปัญหาก็ไม่เกิดขึ้น ก็จริงอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละที่ว่าถูกถูกของเธออีกเรื่องหนึง่งก็เป็นเรื่องที่เมืองจีนเหมือนกันมีวัดเซนอยู่วัดหนึ่งวัดเล็กๆอีพระพี่น้องอยู่ด้วยกันพระผู้พี่เป็นเจ้าวาดเป็นบัณฑิตฉลาดเป็นผู้คงแก่เรียนส่วนผู้น้องเนี่ยโง่เขา่าแล้วก็พิการตาเหลือข้างเดียวก็อยู่ด้วยกันสองคนนั่นแหละอยู่บระมาณหนึ่ง ก็มีพออระอนุกะมาขอพักตามธรรมเนียมของวัดเซนเนี่ยจะต้องโต้ธรรมะชนะเจ้าถิ่นถึงจะมีสิทธิ์พักได้เพราะถ้าเกิดไม่โตธรรมะก็ไม่รู้ว่าภูมิธรรมขนาดไหนไงพราะสมัยนั้นก็คงจะตั้งใจบวชกันถือว่าเป็นเรื่องเรียนธรรมะเป็นเรื่องจริงจังอ่ะพระผู้พี่ก็อยากให้พออระอนุกะพักก็เลยให้ไปโต้ธรรมะกับพระผู้น้อง โดยให้โตงเยียบใช้ภาษากายไม่ให้พูดภาคครุ ก, กาก็เดินไปหาเลยไปถึงเจอภาคพูน้องพระตาเดียวก็จ้องหน้ากันแล้วก็ชูมือขึ้นหนึ่งนิ้วพระตาเดียวจึงชูมือตอบรับชูสองนิ้วภาคครุกาชูมือสามนิ้วพระตาเดียวหน้าตาเริ่มเกี้ยวกาด ูกำบ้านขึ้นพัการากาศก็มาลาเจ้าวาดบอกผมคงไม่มีสิทธิ์พักที่นี่แล้วเพราะผมโตธรรมะแพ้น้องท่านน้องท่านเก่งเหลือเกินเจ้าวาดก็งงจึงถามว่าชนะได้คุณแพ้ได้ไงพระท่านนี้ก็ตอบว่าผมยกมือขึ้นมาหนึ่งนิ้วหมายถึงพระพุทธน้องท่านยกมือสองนิ้วก็หมายถึง มีพระพุธก็ต้องมีพระธรรมผมยกมือขึ้นสามนิ้วก็หมายถึงมีพระพุทธพระธรรมแล้วก็ต้องมีพระสงฆ์น้องท่านชูกระปั้นขึ้นก็หมายความว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมกันหนึ่งเป็นพระราชตาผมเลยยอมแพ้เสิวลาดจใจจริงแล้วกราบลาไปปล่อยให้เจ้าวาดงงสักพักหนึ่งพระนองคชาก็วิ่งตาตื่นมาเลยไหนไหนไหนมันอยู่ไหนขอชกหน้าครับพี่ เอา้าเจ้าว่ากระถามมันเจ้าชนะแล้วจะชกชกเข้าทำไมหน้อยเจอหน้าผมมันก็ชูชูหนึ่งนิ้วเป็นการย่อเยอยเพาผมมีตาเดียวผมก็ชูสองนิ้วเป็นความหมายว่าคุดโชคดีนะที่มีสองตามันก็ยังมาย่อเยอะเลยผมอีกโดยการชูสามนิ้วบอกว่ามันกับผมสองคนเนี่ยมีสามตาผมโกรธมากเลยชูกําปั้นขึ้นจะต่อยมนะัน่ะ ก็เดินออกไปเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดนะว่าบางครั้งคนที่ปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรมและจิตใจคนเราเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะใจที่เป็นกุศลกับอ ก, กุศลเนี่ยสองคนนี้คิดคนละทางเลยนะอย่างพระอรุกะเนี่ยคิดแต่เรื่องบวกคิดแต่เรื่องธรรมะไงแต่ตัวพระผู้น้องเนี่ยคิดแต่ผมด้อยตัวเองคิดแต่เรื่องตาที่พิการว่ามีคนมาย่อเยอะให้ถักฐางไว้ อันนี้พวกเราก็ต้องระวังความคิดเราเองเพราะถ้าคิดคิดเป็นเนี่ยเราก็มีความสุขแต่ถ้าคิดทางลบเนี่ยมันก็เป็นอกุศลหมดแหละอุดบาปอยู่ที่ความคิดคิดดีก็ทําบุูได้ทั้งวันถ้าคิดบาปเนี่ยอันนู่นก็บาปอันนี้ก็บาปแล้วก็ซ้ําเติมตัวเองทำให้ตัวเองไม่ก้าวหน้าด้วยเราก็ต้องมองโลกให้เป็นก็ต้องคิดคิดทางบวกความคิดเนี่ยบางทีก็เชื่อไม่ได้ ฝากพี่เราเองนะอย่างเมื่อกี้ที่พระจอมน้าชายสวดการมาสูตรเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นคนที่เชื่อง่ายเนี่ยแค่ได้ยินข่าวหรือเราก็เชื่อละบางคนเนี่ยผัวเมียรักกันดีๆพอมีคนปล่อยข่าวว่าสามีไปมีมีกิ๊กหรือมีชู้เนี่ยผู้หญิงถ้าไม่คิดอาจจะ ง, งอนน้อยใจเผื่อฆ่าตัวตายเลยก็ได้หรือเลือกกันก็ได้สามีก็เช่นกันบางทีเราคิดเราเองไนงะต้องพี่สูจน์ ว่าสิ่งที่เราได้ยินมามานาน่ะเป็นของจริงไม่ใช่ข่าวหือหรือบางทีคิดได้ตรงเหตุผลของเราเรามีความเชื่อแบบเนี้ยตรงทิฐิเนี่ยคนนี้ทําขัดตงกงทิฐิเราเราก็เชื่อเลย ล, ลองรับเออใช่ใช่ใช่แต่ถ้าคนนั้นพูดถูกแต่ไม่ตรงทิฐิเราเราก็ปเสธเขาละตั้งแต่ตน้นว่าคิดอย่างนี้นผิดนะหรือบางทีไอ้ผูบัญาจารของเราเราก็จะเชื่อทันทีเลยคือว่ามีเครดิตน่าเชื่อ ในกรามาสูรเนี่ยก็ไม่ให้เชื่ออะไรง่ายๆให้เราเนี่ยรู้ว่าจิตนั้นเป็นกุศลแล้วก็เป็นอกุศลถ้าไม่รู้เลือกจิตกุศลอกุศลเนี่ยเราเชื่อไปอาจจะเป็นโทษได้บางเรื่องมีท้ทาอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องเนี้ธรรมาชอบมีชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าโจโจเนี่ยเป็นโรคปวดหัวอย่างรุนแรงปวดหัวมาแล้วยี่สิบปีละโจก็ไม่ได้ไปรับรักษการรักษาแต่อย่างใด มีความรู้สึกว่าเอ๊ะคงเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรียนหนังสือ ม, มากหรือทำงานเครียดทนปวดหัวมาตลอดแต่ก็ทรมานมากจนทนไม่ไหวจิงตัดทิจใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหมอก็วินิจฉัยโรคแล้วหมอก็เอย่ยขึ้นว่าหมอมีข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกคุณจะฟังข่าวไหนก่อนโจบอกเอาข่าวดีก่อนก็แล้วกันหมอบอกว่า โรคของคุณเนี่ยหมอรักษาให้ใหายขาดได้ร้อยเปอร์เซนต์อ้าวโรคเข่าร้ายแล้วหมอหมอจำเป็นต้องตัดไข่คุณทิ้งเพราะไข่สองข้างคุณเนี่ยไปดันลำไส้ให้ไปกดทับปลายเส้นประสาทล่างสุดของกระดูกสันหลังทำให้ทรมานปวดหัวตลอดโจิ่งอึ้งเลยตกอยู่ในยผวังเครียดเลยตอนนี้ก็ไม่ได้ตัดสินใจว่า จะตัดไข่นะลาหมอกลับบ้านขอไปนอนคิดดูก่อนนอนคิดตั้งหลายวันก็ทนปวดหัวอยู่รู้สึกว่าจะไปปรึกษาใครก็เป็นเรื่องน่าอายและแล้วในที่สุดโจตัดทิ้ใจยอมตัดไข่แวะไปหาหมอที่โรงพยาบาลนั้นอีกหลังจากตัดไข่แล้วออกงงจากโรงพยาบาล น, นะโจะก็เหมือนว่าตัวเองสูญเสียอะไรไป จึงเดินเข้าไปร้านสูตรแห่งหนึ่งในเมืองเพื่อชดเชยสิ่งที่ตัวเองเสียไปหรือปลอบใจตัวเองแหละเริ่มต้นชีวิตใหม่เข้าไปถึงร้านสูตรก็มีชายชราเจ้าของร้านออกมาต้อนรับโจเอ่ยว่าขอสูตรดีๆทั้งตัวหนึ่งเจ้าของร้านมองโจโดยไม่ต้องวัดขนาดเอ่ยขึ้นว่า ไซคูณอะสี่สี่โจก็สงสยัยเอ๊ะรู้ได้ไงอะยังไม่ได้วัดเลยชัยชลาก็บอกผมเปิดร้านมาหกสิบปีแล้วครับลองใส่สูตรดูก็สมส่วนกับร่างกายสักพักหนึ่งเจ้าของร้านก็ถามว่ารักษาเชือ้อสักตัวไหมครับโจก็บอกก็ดีเหมือนกันเจ้าของร้านมองโจวแวบหนึ่งก็บอกว่าแขนสามสี่ พอสบกิ่ครึ่งโจก็แปลกใจเอ๊ะยังไม่ได้วัดเลยรู้ได้ไงเจ้าของร้านตอบเหมือเนเดิมผมเปิดร้านมาหกสิบปีแล้วครับโจลองลใส่เชิ้ตที่สมส่วนแล้วก็เดินเล่นในร้านเนี่ยสักพักหนึ่งเจ้าของร้านก็ถามอีกลัดรองเท้าคู่ใหม่สักคู่ไหมครับโจก็ตอบไปเดิมแหละก็ดีเหมือนกันเจ้าของร้านมองตีงงนโจแล้วก็ บอกว่าเก้านิ้วครึ่งโจก็แปลกใจแล้วก็ตอบเหมือเนเดิมแหละเปิดร้านหกสบปีแล้วใส่รองเท้าใส่เสื้อเชื้อใส่สูทเดินเล่นในร้านสักพักเดี๋ยวเจ้าของร้านก็เอ่ยขึ้นอีกลับมังเกิ้ลนตัวใหม่คักตัวไหมครับโจก็ตอบเหมือเนเดิมแหละดีเหมือนกันเจ้าของร้านก็บอกว่าไซส์ขนาดคุณเนี่ยต้องสามหกนิ้วคราวเนี้ยโจหัวลอกากากเลย คุณผิดแล้วผมใส่สามสี่เองผมใส่สามสี่ตั้งอายุสิบแปดอะเจ้าของร้านก็ทำหน้าตาตกตะลึงแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงอันดุดานว่าตายหาคุณใส่เข้าไปได้ยังไงเนี่ยสายสามสี่มันไม่ดันไข่ขวงคุณเนี่ยไปกดทับลาไส้ให้ไปทับปลายเส้นประสาทส่วนล่างสุดของกระดูกสันหลังเหรอ คุณไม่ปวดหัวเหรอโจอึ้งเลยรู้สาเหตุแล้วเพราะอะไรเพราะแสงเกียงในเบอร์สามสี่เองถ้าโจเขาไม่รีบไปตัดไข่นะแวะมาล้านนี้ก่อนก็ไม่เสียรังไข่แล้วก็เสียรังเงินแต่บางครั้งชีวิตก็เลือกไม่ได้อย่างเมื่อช่วงเดือนมีนาบ ม, มันมีเฟซบุ๊กอยู่เฟซหนึ่งของตันเสียตันน่ะ แต่เป็นเพจปลอมนะเขาก็มาขอเป็นเพื่อนะขอเป็นเพื่อนอนมาแหละแล้วเขาก็ส่งมาทางข้อความเนี่ยบอกคุณคุณรู้ไหมคุณโชคดีเนี่ยได้รับเงิ น, 1, 000, 000, 000, 000. นหนึ่งล้านบาทอราก็งงอะไรรับเป็นเพื่อนปูปให้เงินหนึ่งล้านเหรอ่อสงสัยอยู่แล้วก็คุยกันเขาบอกคุณจะรีบมาเลยมารัตเซเว่นมาซื้อคู ป, ปองอะไรของเขาอ่ะสามพันด่วนเลยนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนใจ ไอ้เราก็สงสัยเอ๊ะคุยไปทั้งข้อความเนี่ยเราเองเรารู้สึกว่าเราไม่อยากได้เงินล้านก็เลยเขาพยายามส่งหลักฐานมาบอกมีคนรับเงินไปหลายคนแล้วเนี่ยหรือคุจะสลัสิทธิ์เขียนข้อควาดุดันด้วยนะจริงจังมากแล้วอัตมาบอกอยู่วัดปา่าไม่สะดวกลงไปหรอกเหมือนกับว่าต้องการให้อัตราเนี่ยเอาเงินสามพันไปไปเสียให้เราที่สุดคือเขาเราสงสัยตัวว่าเอ๊ะอยากได้เงินสามพันเรามากกว่าเราเองไม่อยากได้เงินล้าน ถ้าวั น, นหลวมตัวก็เสียสามพันแล้วถ้าเชื่อความคิดนะความคิดที่โลกอะ่ะใค้ า, าก็อยากได้เงินล้านอย่งนั้นแหละแต่ไอคนที่เขียนมาอยากได้สามพันจากเราเมื่อไม่กี่วันก่อนเราบังคพลาดนะไปซื้อเอดดีการ์ดที่ของผมเห็นคนเขาบุ้งซื้อกันเต็มเลยเอดีการ์ดร้อยี่แปดกิกไม่โคเอดีการ์ดอะราคาสอง้อยบาทเราก็โอ้โหราคานี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแล้วที่จริงราคาน้องพันกว่าบาทตอนแรกก็ไม่เชื่อยังลึกๆ ก, ก็คิดว่าเป็นของฟอร์ม เห็นคนมุงซื้อกันเต็มเลยแล้วตรงตำแหน่งที่เขาวางร้านเนี่ยวางขายของเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งที่ไม่น่าจะหลอกลวงนะเป็นจุดที่เด่นมากเลยอะ่ะกลางของขมเลยอะ่ะคนมุงซื้ออะ่ะไม่น่าจะหลอกถ้าหลอกเดี๋ยวคนคนเล่นงานไปแล้วลูกค้าเราก็เออทดสอบซื้อดูดก็ได้สองร้อยไม่น่าจะคือหน้าเสี่ยงอะ่ะระหว่างสองร้อยกับาพันกว่าบาทตอนแรกซื้อว่าตัวนึ่งเอาอีกตัวดีกว่าซื้อสองตัวเลยสองตัวเสียไปสี่ร้อยสี่ร้อยก็เออคุ้มนะเรา ถ้าเกิดพลาดก็ไม่เป็นไรคงไม่น่าพลาดเดินเป็นเล่สักพักหนึ่งเดินย้อนกลับมาอีกคิดถึงพลาดในวัดว่าจะซื้อฝากคนทุกคนนี้แต่ฟามพี่อีกตัวหนึงมาตัดนะบอกว่าอย่าเลยเสี่ยงเงินไปกัดจะตัดใจไม่ซื้อถ้าซื้อก็โดนผลปรากฏว่าเอามาใช้ไม่ได้เลยมันเป็นเอดิการ์ดปลอมเราอยู่ได้บทเรียนว่าของถูกของฟรนะีไม่มีโลกหรอกถ้าไม่สมราคาเนะี่ยของปลอมจากจีนนะเสียตังค์แล้วเสียเวลาด้วย ถ้าใครไม่รู้ไปเห็นเอิเอดิการถูกๆอย่าอย่าไปซื้อนะต้องซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้ที่ราคาเนี่ยได้มาแล้วไม่คุ้มหรอกเดี๋ยวดี่เตั้งราคาไว้ถูกถ้ามันตั้งแค่สี่ห้าร้อยเราก็ซื้ออยู่ดีแหละเห็นว่าถูกก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เอาความโง่ของเราเนี่ยาเล่าให้คนอื่นฟังต่อไปคนอื่นจะได้ไม่เดินตามแบบเราอย่าามาพูดบ่อยนะตัวเองหกล้มเนี่ยแขนเกือบหักแนละ้วเราก็พยายามพูดบ่อยว่าให้คนอื่นอย่าลื่นแบบเรานะ เราตัวเราจะเป็นแบบเราประมาความประมาเนี่ยทำให้เราเจ็บตัวทั้งคนที่จะไม่ล้มก็ไม่ลื่นล้มก็ระวังก็แล้วกันมีชายอยู่คนหนึ่งแกเนี่ยเป็นคนที่หายลมทั้งวันเน่ะคือเป็นคนที่ตดตดบ่อยจนแกรู้สึกว่าลาคาญแต่แกก็หมอว่าแกเนี่ยไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีเสียงนะแต่ก็ไปหาหมอ แล้วก็บอกหมอว่าเนี่ยตรวจผมเนี่ยไม่มีทั้งกลิ่นไม่มีทั้งเสียงหมอเนี่ยก็นั่งฟังแต่ทำหน้าเบ้ตลอดบอกแล้วก็พูดว่าเนี่ยผมตรวจมาหลายหลายครั้งเนี่ยหมอได้ยินไหมได้ได้ยินได้ยินเสียงแล้วก็ได้กลิ่นไหมหมอก็ไม่พูดอะไรหมอก็จัดยาให้แล้วก็บอกว่าคุณเนี่ยเอายาไปทานหลังจากนั้นเนืออาทิตย์เนี่ยก็มาหาหมอหมอใหม่นะ เมื่อที่ผ่านไปชายคนเนี้ยเข้ามาหาหมอที่ ท, ที่คลินิกแล้วก็วยวายเลยหมอเอายาไล่ผมกินเนี่ยผมตดแต่ละครั้งเนี่ยเหม็นมากเลยมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนคุณเป็นยาของหมอแน่เลยหมอหัวเราชอบใจบอกว่าเนี่ยการรักษาของหมอเนี่ยสําเร็จไปครึ่งนึงแล้วที่รักษาคูนเรื่องการรับรู้เรื่องกินต่อไป ก็จะรักษาคุณเรื่องการรับรู้เรื่องเสียงชายคนนี้ก็เป็นตัวอย่างนะป้าแกไม่รู้ไม่รู้จักตัวเองไงคือกรชินกับสิ่งที่เป็นอยู่อะ่ะไม่รู้ว่าตดลูกแกเหม็นแล้วก็สร้างฟอร์มหลงคาให้กับผู้อื่นบางครั้งคนเราก็ต้องให้คนที่คนอื่นช่วยบอกอย่างบางคนก็ปากเหม็นแต่เจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวเองปากเหม็นนะถ้าเพื่อนบอกเฮ้ เองมีกินปากนะรักษาดีๆ ด, ด้วยเองมีกินตัวนะอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ยอมเปลี่ยนแต่บางคนก็ไม่พบไม่ยอมเขอโกรธโกรธอีกโกรเพื่อนอีกหรือบางคนบางคนเดินไม่ตรงหรือหรือบุคลิกภาพอะไรต่างๆมันไม่ดีเน่ยถ้าถ้ามีเพื่อนมาชี้แนะคนคอยบอกเนี่ยบางคนเปลี่ยนได้แต่บางคนก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกั น, น่ง บางคนก็ไม่เห็นควาผิดตัวเองนะกับมองว่าตัวเองเนี่ยที่ทำแล้วถูกแต่คนอื่นละผิดคือยึดถือความคิดตัวเองว่าเนี่ยถูกต้องแล้วแลวเราสังเกตนะตามโรงพยาบาลลกจิตเนี่ยส่วนมากคนไข้หรือผู้ป่วยเนยจะไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองบ้าหรอกจะมองคนอื่นบ้าอันมาจำหมอคงศักด์เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งหมอคงศักด์ก็ไปเยี่ยมเพื่อน ที่โรงพยาบาลลรจิตอะช่วงนั้นเศรษฐกิจฟองส บ, บูนะ่ไงคนก็เลยเครียดแล้วเข้าโรงพยาบาลโรคจิตยเยอะจนหมอต้องประชุมกันว่าถ้าไข้อาการดีเนี่ยก็ต้องให้ยาไปกินที่บ้านเพราะถ้าอยู่โรงพยาบาลมากไปเนี่ยที่มันจะไม่พอรองรับไงจึงประชุมกันว่าไขา้อาการดีก็จะส่งกลับบ้านโดยโดยมีหมอห้าคน แลวคนไข้สามคนหมอก็ลองถามคนไข้คนที่หนึ่งถามว่าสามคูสามเป็นเท่าไหร่คนไข้ก็ตอบว่าร้อยแปดครับหมอก็หัวเราะบอกไอ้นี่อาการหนักต้องรักษาต่อไปยังกลับบ้านไม่ได้อา้าวถามคนที่สองคำถามเดิมแหละสามคูสามได้เท่าไหร่คนไข้ตอบว่ารดสิบรดสิบแปดล้อครับโอ้ยไอ้นี่หนักกว่าคนแรกอีก อยู่ต่อก็แล้วกันถามคนที่สามสามคูณสามได้เท่าไรคนไข้ก็หัวเราะชอบใจบอกว่าหมอไม่น่าถามเขาถามโ ง, ง่ยี่กับผมเลยสามคูณสามก็ได้เก้าสิครับหมอก็ชอบใจบอกอืมคุณนี่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวหมอให้ยาไปทานต่อที่บ้านนะแต่หมอก็ยังสงสัยอยู่ว่าคุณได้คำตอบเก้ามาจากไหนแม่ คนไข้ก็ตอบว่าหมอไม่น่าถามอย่างนี้เลยผมก็ได้คำตอบจากไอ้คนแรกอ่ะสามูสามอ่ะได้ร้อยแปดแล้วก็ได้คำตอบจากคนที่สองอ่ะร้อยสิบปดล้ออ่ะหมออา้าวไอ้นี่เป็นหนักกว่าสองคนแรกอีกต่อก็แล้วกันก็เลยไม่ได้กลับบ้านตอนหลังหมอก็เปลี่ยนวิธีตรวจสอบเอาคนเดียวมั่งคนไข่ยอยู่คนหนึ่งแกเป็นโรคกลัวนกเพราะแกคิดว่าตัวเองเนี่ย เป็นไม่ได้ขนะ้าโพดไงคือเห็นนกเนี่ยจะหน้าซีดวิ่งหนีกลัวนกจะบาจิกหมอถามว่าตอนนี้คุณเป็นอะไรผมเป็นคนครับหมอตอบว่าอุ้ยคุณหายแล้วเดี๋ยวรับยาแล้วกลับกลับไปรักษาต่อที่บ้านนะดีใจไหมโอค้คนคนไข้กระโดดดีใจสุดๆเลยหมอก็ให้ยาไปหายจากโรงพยาบาลไปได้สิบนาที พางผมวิ่งหน้าตาตื่นมาหาหมออีกหมอก็งงอ่ะกลับมาทําไมนกครับนกมันนกมันไล่ผมมาอา้าวก็เป็นคนแล้วไม่ใช่เหรอผมรู้ว่าผมเป็นคนนกมันอาจจะคิดว่าผมไม่เข้าพวกก็ได้หมอก็เลยใส่หัวเลยแล้วก็ต้องรักษาเจ้านี้ต่อไปนไี่ก็โพูดอันนี้เป็นตัวอย่างของคนไข้โรคจิตทั่วไป อาตมานะ่คุก ค, คีกับคนที่เป็นอย่างนี้หลายคนนะแต่ส่วนมากเขาไม่รู้ตัวนะคือถ้าคุยด้วยเราตระวังอ่นนะถ้ารู้ตัวปุ๊บก็จะหายทันทีเพราะถ้าเกิดคนรู้ตัวเองเนี่ยการปฏิีธธรรมก็เก้าหน้ารู้จักตัวเองว่าเราเป็นคนโลภโกรธหลงอิจฉาลิสยาน้อยเนื้อต่ำใจเปรียบเทียบมีมานะมีตัวกูของกูอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่รู้เลยเราก็ไม่รู้กี่เลยเราไปยังไงกันแนะ่ แล้วก็ไม่สามารถแก้ไาขาตัวเองได้หมอคงศักดิ์ก็เล่าต่อแล้วว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีพยาบาลาคนหนึ่งแกมาตักบาดทำบุญบันเกิดไงแต่เพอเอ่ะวันนั้นนอนดึกไงทำให้ตื่นสายตอนเช้าพากก็หายหมดแล้วไม่มีมองไปมองมาเห็นเน็นอยู่รูปหนึ่งพยาบาลดีใจจึงนิมนต์เนนเข้ามารับบาด หลังจากใส่บาดเสร็จแล้วพยาบาลก็ขอให้เนยนะให้พรเนนก็มองหน้าตาเลืกลักแล้ว่าเนนบอกเนยเนี่ยเพิ่งบวชได้สามวันจะสวดบาลีและให้พรไม่ได้พยาบาลก็บอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของโยมเป็นวันดีเนยจะสวดอะไรก็ได้พูดก็ได้เพื่อให้โยมมีความสุขนะเนนก็ลิงก์สักพักหนึ่ง แล้วก็ให้พรคือว่า Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you, birthday to you. พยาบาลก็ โ, โหชอบใจใหญ่เลยวันนั้นทั้งเนนทั้งพยาบาลก็มีความสุข ด, ด้วยกันทั้งคู่คือพยาบาลยอมรับฝัาเป็นจริงไงว่าไม่มีพระเนนก็ใช้ได้เนนก็ยอมรับฝวามเป็นจริงว่า เห็นส่วนบนไม่ได้ทําได้แค่นี้อ่ะนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับควาเป็นจริงยอมรับลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีเสด็จมีอินทายอมรับคาเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราไม่ยอมรับอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นไปดังใจเราไม่ใช่เป็นสิ่งแวดล้อมเป็นคนเป็นสถานที่เนี่ยอู๋เราแก้ไม่ไหวหรอก เราแก้ได้คือใจเราเองเมื่อที่กอนอาบาไปงานศพของนาสาวก็เจอญาติพี่น้องที่ไม่เจอกันมานานเนี่ยหลายสิบปีเราก็เห็นเลยว่าบางคนเนี่ยก็แก่มากเลยหน้าตาเคยไม่แก่ก็แก่ร่างกายเปลี่ยนแปลงแต่เรามองเขาข้างเดียวนะเขาคงยังมองเราเหมือนกันเราก็เปลี่ยนเหมือนกันไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมไนงะแต่ละคนก็ คนที่มีอายุก็ค่อยๆลมหายตายจากไปไอ้ที่เราเคยอุ้มเขาตอ่อไปเด็กก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาให้เรารู้ทุกแล้วอยู่กับทุกข์ได้อยู่กับเรื่องที่ขัดใจเราได้ทุกสุขก็อยู่ที่ใจเราเองไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอ่นมาพูดมาก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้ญาโยมทุกท่านสมปทานาไอวัง